พกอ่าหนังสือพิมพ์ก็ได้เจอข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระ ก, กันหลายแห่งมันไม่ใช่เป็นข่าวอุบัติเหตุที่เราเคยได้ยินทั่วไปเช่น <c oughs> รถชนรถควา่าอย่างที่มักจะได้ยินในช่วงเทศกาลปีใหม่แต่เพราะว่ามันไม่ใช่เป็น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 ทาให้ถึงกับความตายนะถ้าเกิดเหตุแค่คนสองคนก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่นีนะ่นี่เป็นเกิดขึ้นเป็น10บเลยนะในกรณีที่รถนี่พุ่งนะชนอพุ่งตกลงมาจากที่จอดรถนี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าในสุดเขาพบว่ามันมี ขวดน้ำเนี่ยนะขวดน้ำเนี่ยมันไปอยู่ใต้คันอยู่ใต้คันเบรกมันก็ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่ามันก็คงจะไหลกลิ้งไปนะตอนที่รถเนี่ยลาสลงมาขับรถล่าสลงมาเพื่อที่จะลงจากที่จอดรถมันก็ไปขัดอยู่ใต้คันคันเบรกเนี่ยเจ้าตัวซึ่เป็นผู้หญิงนี่พอ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 ทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เชื่อเห็นใ น, นเรื่องของอสติเนี่ยสำคัญมากทีเดียวมันเป็นเพราะว่าพอขาดสติแล้วเนี่ยไม่ว่าเวลากินขนมโมจิหรือว่าเวลาถ่ายรูปแล้วมันก็เกิดความพังพลาดเผลอเละขึ้นมาได้คนที่ขับรถก็เหมือนกันนะพอเขาตั้งใจเหยียบเบรกแต่ว่ามันกลับไปทำให้รถนี่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 จริงคนเราเนี่ยถ้าหาตระหนักว่าไอเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตหรือคอขาดบาดตายเนี่ยหรือรอดแหลบเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับเราไม่วันใดก็วันหนึ่งก็ได้แล้วถ้าเราตระหนักว่าสติสำคัญเนี่ยเราก็ต้องหมั่นฝึกฝนนะการเอาตัวเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ทาให้อ่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 ขึ้นพูดในที่ชุมชนในสถานาที่อาจจะนอยวิตกน้อยกว่านี้ เ, เช่นพูดต่อหน้าคน10คน20คนพูดต่อหน้าคนเป็นร0อยใหม่ๆก็ประมานนะแต่ว่าพอพูดไปพูดไปนะมันก็เริ่มมีสติสามารถจะรับมือความประมาไดนะ้แต่บางคนก็ไม่ยอมเลยนะ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 แล้วก็คอยดูว่าเนี่ยไอ้กลุ่มนั้นเนี่ยวิ่งกลับมาหรือเปล่าถ้าวิ่งกลับมาแสดงว่าทางตันถึงตอนนั้นก็ต้องพยายามที่จะหลบนะอย่าไปยืนขวางทางเดี๋ยวก็จะโดนเหยียบแ้วต้นะต้องเดินหรือต้องยืนแอบบแอบบข้างฝาไว้แต่ถ้าเกิดคนที่กลูกันไปเขาไปแล้วไม่กลับแสดงว่าเขาเจอทางออกแล้วเราก็วิ่งตามไปทางนั้น ไอ้คนจะทํางี้ได้มัต้องมีสตินะเพราะว่าธรรมชาติคนที่เวลาเจอเหตุการณ์ตกใจมันก็จะวิ่งมันก็จะวิ่งอะนะแล้วก็วิ่งกลัวกันไปใครใครนําพอมีคนนําคนหน่งก็วิ่งตามโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ที่ตามเข้าไปเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่าสัญชตาตญาณฝูงเนี่ยมันจะเริ่มทํางานนะเวลาตกใจเนี่ยมันจะตามคนไปตามคนที่เป็นผู้นําไปซึ่งคนที่เป็นผู้นานี่มันก็ ไม่ได้รู้อินโหรอินเออะไรนะแต่ว่าวิ่งไปตามสัญชัตยานมันก็เหมือนกับพวกที่เวลาหุ้นราคาตกเนี่ยก็พากันเทขายไม่รู้แรงซิ่งก็เทขายไปก่อนตกใจเห็นคนอื่นขายก็ตัวเองก็เทขายบ้างนะพวกแมงเม่าเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเพราะความตกใจเห็นใครทําอะไรก็ทําตามทันที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 ช่วงอกาศที่ว่านี้ไม่ได้ช่วงอกาศเฉพาะเวลามีเวลาว่างนะว่างก็มาเจริญสตนะิหรือช่วงอกาศจากอิเลียบทจากกิจกรรมในชีวิตประจําวันเช่นล้างหน้าแปลงฟันอาบน้ํากินข้าวนะหั่นผักทําครัว น, นั่นก็เป็นการช่วงอกาศอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเราต้องรู้จกักช่วงอกาศแม้กระทั่งเวลาเหตุเกิดเหตุการณ์แย่ๆขึ้นมาที่มัน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 นะต่อไอเหตุการณ์เหล่านี้มากขึ้นแต่ก่อนก็เคยตกใจนะแต่ตอนนี้ไม่ตกใจแล้วเพราะว่าเราคุ้นเคยมันลวแต่ก่อนกลัวแต่ทีนี้เราไม่กลัวละเพราะว่าเราคุ้นเคยกับมันนะเราเรารู้นะช่องทางนะที่จะรับมือกับมันแต่ก่อนเจอแค่นี้ก็โกรธแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่โกรธล้วลเพราะว่านะเรารับมือกับมันได้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 เป็นการช่วยโอกาสนะเอาเหตุร้ายที่ใครๆไม่ชอบไม่อยากเจอเนี่ยนะแต่เมื่อต้องเจอแล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ซะเลยนะเอามาเป็นเครื่องฝึกใจให้เรามีสตินะมีความว่องไวปราดเปรียวในการรับมือกับอารมณ์เหล่านั้นนักปฏิบัติเราต้องต้องต้องเรียนรู้นะที่จะฝึกฝนจิตใจ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 แล้วหนึงก็เขาก็เล่าให้ให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ถามนว่าหน้าตาเป็นยังไงบอกว่าตอบไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเอาแต่วิ่งตลอดเลยก็ฉุคกคิดเลยเ อ, อเราไม่รู้เลยวนะ่าหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเพื่อนถามก็ตอบไม่ได้ขนาดที่ดวมันวิ่งไล่เนี่ยไม่รู้กี่คืนกี่คืนแล้วแล้วหนึ่งเด็กก็ฝันอีกนะ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 จู่ๆก็ตึกขึ้นมาได้เฮ้ยเราไม่เคยหันหน้ามาเห็นหน้าไม่เคยหันหน้าไปดูมันเลยแกก็โลโลความกล้าในฝันนะแล้วก็หันหน้าปเผชิญกับไอ้ปีศาจร้ายพว่า ป, ปีศาจนี่แทนที่มันจะกระโจนเข้าหานี่มันหยุดเลยนะแล้วมันก็กระโดดยองเยงยองเ ย, ย, ย, ยงตรงนั้นแหละและพอเห็นไอ้ปีศาจร้ายนี่เด็กก็รู้เลยว่าที่แทนนึ่งก็คือตัวการ์ตูนที่เขาอ่านในในหนังจารหนังสือ ก่อนนอนที่เขาอ่านหนังสือเนี่ยพวกปีศาจร้ายพวกนี้กระตูนอ่านกระตูนเกี่ยวกับหนังกระตูนพวกปีศาจร้า ย, ยกระตูนญี่ปุ่นนั่นะจริงจริมันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่อะไรเลยนะมันสิ่งที่เขาจดจําขึ้นมาจากกระตูนจากหนังสือที่เขาอ่านแล้วก็ไปตามล่านในฝันนะแต่ทันทีที่เด็กได้เห็นแล้วว่าอ๋ไอไอ้พวกนี้มันไม่มีอะไรเลยนะบอกว่าหลังจากนั้นนี่เขาก็หายกลัวเลยไม่มีฝันร้าย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 อารมณ์เหล่านี้หรือเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัตินะเป็นส่วนหนึ่งการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เอาแต่นีมันตะพืพ้นนะเจอที่ไหนที่ทําให้เรากลัวเราก็หนีเจอที่ไหนทําให้เราโกรธล้วก็หนีเจอที่ไหนที่ทําทหททให้เราตื่นตกใจเราก็ถอยนะอันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่เฉลาบมันก็ทําให้เราไม่ไม่โตสักที ถ้าเราหนีมันล่าไปมันก็จะยิ่งมีอำนาจเหนือเราแล้วถึงวันดีคืนดีนี่มันก็สามารถทำให้เราย่ำแย่ได้เจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวก็ตื่นตกใจนะจนกระทั่งทำอะไรไม่ถูกไอ้ทำอะไรไม่ถูกนี่ก็สามารถจะมีผลถึงตายได้นะอย่างตัวอย่างที่ได้เล่าให้ฟังเราคำเดียวพดเท่านี้นะครับ